อยากทราบว่าการลาออกจากงานเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวโดยที่งานยังค้างคางไม่เสร็จเรียบร้อยจะมีผลกรรมใหญ่ตามมาไหมครับตอบถ้าลาออกจากงานขณะกําลังมีอารมณ์กําลังโกรธหรือคของขึ้นแค่นั้นก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะเป็นบ่อกเกิดของนิสัยกุนหันพันแล่นความอดทนต่ําเจ้าคิดเจ้าแค้น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 คนเราไม่ใช่ทำงานแลกเงินเดือนอย่างเดียวตัวงานเองคือการก่อกรรมชนิดต่างๆมากมายเหลือขนานับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมผมเคยเห็นนะครับกลุ่มลูกจ้างไม่พอใจเจ้านายก็นัดแนกนลาออกคือปรึกษากันแล้วเห็นชัดว่าถ้าแกล้งกอดคอลาออกอย่างพร้อมเพรียงบริษัทชิบหายแน่ หรือเจ้านายต้องวิ่งวุ่นเหน็ดเหนื่อยขาขิดแน่ๆ แ, แบบเนี้ยผลกรรมในอนาคตจะต้องเป็นผู้เหนื่อยแทบกระอักเลือดเป็นผู้ที่คุมคนไม่ได้และจะต้องแบกภาระหลายด้านพร้อมกันทมอันนี้ไม่ทันเสร็จก็มีอันโน้นเพิ่มทับเข้ามาบางคนคิดอย่างนี้นะครับคือฉันไม่แค่ว่าจะต้องพึ่งใครละฉันไม่ง้อใครต่อละฉันพึ่งตัวเองได้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 เพราะคุณสามารถปิดบริษัทได้เพียงด้วยเหตุผลเล็กๆเช่นเบื่อแล้วเสงแล้วขี้เกียจทำต่อแล้วไม่อยากอดทนกับความกดดันต่างๆแล้วและนั่นก็จะเป็นความเดือดร้อนของลูกน้องคุณท่วนหน้าโดยที่ตัวคุณยังมีฟูกรองรับสบายๆต้องมีวงเล็บไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างฝ่ายเจ้านายท่าเดียว ผมเคยเห็นอีกเหมือนกันบริษัทที่มีนายมหาโหดราวกับผู้คุมนักโทษด่าว่าพนักงานด้วยนิสัยดุร้ายอันธพาลพูดจาหยาบคายยิ่งกว่าปากตลาดทั้งที่มีการศึกษาสูงแม้จะเดินไปเข้าห้องน้ำก็เหละแล้วเละอีกและหนักกว่าอะไรคือใช้งานคนเยี่ยงทาตให้กลับดึกดึก่นๆเป็นประจำโดยไม่มีโอทีไม่สนว่าผู้หญิงกลับข้า ม, มืดจะมีอันตรายแค่ไหน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 พร้อมหน้าดำๆไปสแสดงเป็นหลักฐานเขาก็คงให้ออกด้วยความเหลี่ยนใจขออย่างเดียวอยากแกล้งตกแต่งหลักฐานขึ้นมาทั้งรู้แก่ใจก็เล่ากันอยากสรุปคือวิธีลาออกอย่างปลอดภัยในทางธรรมะจริงๆนั้นคือหัดปราบพยศในตนเองให้ราบคาบซะก่อนแน่ใจแล้วว่าขณะตัดสินใจลาออกนั้นจิตใจคุณ